เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลวงตาที่เห็นว่ามีมีผู้สงวนรักษานะคะแล้วก็ทำให้แล้วมันมีความพยายามในภายในที่เราไม่ ไม่ได้ไม่ไม่รู้ไม่ไม่ได้สังเกตก็กลับไปไปสังเกตนะคะไปสังเกตดูก็เห็นพอจะเห็นถึงความสงวนรักษาแล้วก็ความเป็นความมีตัวเราร อ, อ, องรับในในทุกทุกอย่างที่ที่ทาไม่ว่าจะไม่ว่าจะพิจารณาอะไรไม่ว่าจะ แก้ปัญหาไม่ว่าจะจะดิะ้นรนค้นฟ้าจะทำอะไรจะแก้อากา ร, Peterson, อ, ะรอะไรอะไรยังไงเนี่ยเห็นว่ามันมีเพื่อที่ให้ตัวเรามีมีตัวเราเสมอที่จะลองรับผลนั้นที่จะไปไหนสักแห่งแม้กระทั่งในขณะที่คิดสังเกตพยายามเข้าใจก็ก็เพื่อตัวเราที่จะที่จะหลุดจาก อ่สภาวะอาการดิ้นหล่นค้นขว้าการวิ่งไม่หยุดอาการเออ่ทํางานไม่หยุดภายใน ท, ที่ที่ตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไไดสังเกตเห็นนะคะแล้วก็เห็นว่าเรากลัวที่จะโง่เรากลัวที่จะเอะไม่รู้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้แล้วเราแล้วเราจะทํายังไงล่ะเรา คือพอดนมีวันหนึ่งไหว้พระค่ะแล้วก็กิ๊กไงไม่รู้ก็ก็พูดกับพระพุทธเจ้าบอกว่าหนูขอคืนความรู้ความเข้าใจแล้วนักวิชาทีนั้นมันรู้สึกเลยว่าเอ๊ะเราถ้าเราคืนความรู้ความเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วแล้วเราจะทำยังไงล่ะแล้วถ้าเราจะดาเนินต่อไปอยังไงถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย เราอยู่มันได้ด้วยเหมนความรู้ึกไงนะเราอยู่มันได้ด้วยความรู้ควมเข้าใจแล้วนะมันก็เลยเห็นว่าอ๋อที่มันมีตัวเรานี่หว่ามีตัวเราที่จะจะจะต้องการความคือมันจะมีตัวเราอะค่ะที่ต้องการความรู้ความเข้าใจนั้นเพื่อที่จะอะไรสักอย่างก็ก็ก็พูดไปแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อมันมันไอ้นี่เองที่มันที่มันแอบอยู่ที่เราที่เราเห็นที่เรามันทําให้เราเห็นนะคะว่า โอ้ยเราเกรเราจะโง่รเราเกรงจะไม่รู้เราเกรงเราจะอ ะ, อะไรต่างๆแล้วพยายามที่จะดิ้นรนค้นคว้าไปไหนไปไปให้ถึงซึ่งไม่ว่าจะนิพพานหรือไม่นิพพานหรือแม้กระทั่งวิธีการที่เราจะฝังสอนตัวเองว่านิพพานไม่มีมีอมันหยุดเท่านั้นคือทุกอย่างที่เราพูดทุกอย่างที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันม ตัวเราที่ต้องการที่จะหลุดจากอะไรบางอย่างนะคะก็ก็เห็นตรงนั้นนี่ก็ก็รู้ว่ามันมันก็แก้ไม่ได้รู้เลยว่ามันมันมันมันมันมันเป็นเลยอะค่ะมันมันเพราะว่าเอ่อคิดว่ามันมันคงยึดนะมันคงเป็นความรู้สึกยึดตรงนั้นว่าแล้วก็อาวแล้วก็พยายามคิดว่าหลุนเป่าทำไงแล้วมันยึดก็ ในเรื่ตัวเรานี้ก็ก็เรื่องของมันแล้ก็ก็คิดว่าก็เรื่องของมันมันจะยึดเรื่องของมันยอมรับในสิ่งที่มันเป็นไม่ว่าจะดีหรือแย่แค่ไหนก็คือว่าเอาพูดกับตัวเองนะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นก็ก็เรื่องของมันอย่างไรของตาบอกก็ปล่อยให้มันคิดให้มันทําไปเลยแล้วก็ดูสิก็ดูมันไม่ไม่เป็นนะก็ลองลองคิจารณาอย่างนั้นดูว่าเออเป็นอ่ะ อยากทำอะไรทําไปอยากจะคิดก็คิดไปแต่ก็ดูแล้วก็มันก็มีตัวแอดที่เหมือนว่าอ่ะเรารู้แล้วว่าช่องเนี้ยถ้าเราพูดถ้าเราพิจารณาแบบนี้ว่ามันไม่ใช่เรามันจะดิ้นก็เรื่องมันเราก็ไม่เกี่ยวมันก็มันก็ยังมีตัวแอดที่รู้ว่าท่าเนี้ยมันคืมันเหมือนมันมีเห็นว่ามันมีกระบวนการท่าทุกทางที่เราที่เราจะใช้ปัญญาอะไรทั้งหมดเนี่ยมันมีกระบวนการท่าเพื่อมันมีตัวเราเพื่อที่จะ ทำกระบวนท่านั้นเพื่ออะไรสักอย่างตลอดนะแล้วก็เข้าใจว่าเออเราเราก็ไม่ว่าเราจะได้นหนีท่าไหนามันก็คงไม่ใช่มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ที่เราที่เราจะไปพยายามกําจัดตัวเราเพราะว่าอย่างที่หลกงตาสอนตลอดว่าตัวเราไม่มีตนะั้งแต่ต้นมันก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่านื่งว่ามันไม่มีแล้วอะไร อสิ่งที่มันมันมันความรู้สึกที่ที่ที่ที่ที่พูดมาเมื่อกี้มันก็คือเป็นเป็นสังขารเป็นสิ่งที่รู้ได้บอกได้มันก็ใช้ปัญญาอย่างนั้นนะคะใช้ปัญญาอ่พิจารณาไปแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่เราใช้ปัญญาพิจารณาไปอันนั้นเนี่ยมันมีตัวเราแอบแฝงอยู่หรือเปล่าว่าที่พิจารณาอย่างนั้นใช้ปัญญาอย่างนั้นเพื่อตัวเราอยู่ดีหรือเปล่าอันนั้นก็ยังยังแต่ก็คือว่ามันก็ต้องพิจารณาไปอ่ะแต่ว่า แค่ดูที่ว่าอมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างงั้นนะคะเพราะมันจะมันจะมันจะแย่มันจะมันจะเป็นตัวเรามันจะไม่เป็นตัวเรามันจะอะไรก็เรื่องก็เรื่องของมันแล้วถ้าอยู่กับที่ปัจจุบันที่มันไม่มีอะไรมันมันก็แค่นั้นให้เราดิ้นแทบตายมัน เราไปพยายามหยุดดิ้นก็ไม่ใช่พยายามหยุดไม่ให้มันทําอะไรก็ไม่ใช่ ก, ก็ก็เลยก็ไม่ไม่ไม่รู้ใจคำว่าพยายามที่จะมันก็จะมีความพยายามว่ายอมรับในสิ่งที่มันเป็นนะคะว่ามันมันเป็นแบบเนี้ยมันมันไม่มีอะไรนะ่ว่า นณณปัจจุบันณณเวลาณปัจจุบันมันไม่มีอะไรเราก็แค่แค่รู้แค่รู้ไปก็ไม่แน่ใจ่าอหลวงพาก็ปล่อยวางแม้แต่ความพยายามรู้ ไม่คาดหมายเลยว่ามันจะเป็นอะไรแม้แต่ความพยายามที่จะรู้เดี๋ยวนี้ก็วางหมนเลยปล่อยให้ธรรมชาติเขาทำหน้าที่ของเขาเองไม่มีเราเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ถึงไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เป็น วางความพยายามที่จะรู้ริ่นเป็นไงวางแล้วเป็นไงความพยายามที่จะรู้แม้แต่ความพยายามที่จะรู้ก็วางไปด้วยปล่อยวางไปปล่อยวางความกลัวความกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่รู้อะไรเดี๋ยวจะไม่ถึงอะไรเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรเดี๋ยวจะไม่เป็นอะไรวางหมด ในปัจจุบันขณะปัจจุบันเนี้มันก็รู้เองเนี่ยไม่จไม่ต้องถามใครเลยปอยธรรมาจากิเขาทำงานเขาอย่างตามเป็นอิสระมัเขายัางเต็มที่ไดเป็นยังไงได้บางเปมันก็ไม่ไม่มีภาระฮึระหว่างก็ไม่มีอะไรไม่มีภาระที่จะต้องทําอะไร อืมก็ไม่เห็นต้องมีอะไรไม่เห็นต้องไม่เป็นอะไรแล้วหายเหนื่อยไหมยอย่างเงี้ยแล้วดูสิว่าเมื่อวางแล้วมันวุ่นวายหรือว่ามันเงียบมันสงบกับที่เราพยายามดิน้นพยายามหาพยายามใจรู้พยายามใจเห็นพย า, ยามไม่ได้เป็นเมื่อท่านไปวางวางมันแต่แรกในปัจจุบัน ท่านยังดูธรรมชาติภายในใจของท่านและธรรมชาติภายนอกทั้งหมดในธรรมชาติทั้งหมดนะเมื่อวางแล้วเป็นยังไงแต่ถ้าท่านไม่วางเนี่ยพยายามใจรู้ให้เห็นให้ได้ให้เป็นพยายามจะรู้ละปล่อยวางพยายามที่จะรู้ให้ให้ใหทุกขณะ ให้เห็นไอ้ได้เป็นทุกขณะท่านจะไม่รับรู้เลยถึงความเงียบความสงบความสงัดของธรรมชาติพอใจของท่านไม่เงียบไม่สงบไม่สงัดจากความปรุงแต่งเมื่อใดใจของท่านเงียบสงบสงัดจากความปรุงแต่งท่านก็จะสัมผัสได้รับรู้ได้ถึงความเงียบความสงบความสงัดของธรรมชาติ เตสา ม, มสูปสมโอสุโคผู้ใดระงับดับความหลงปรุงแต่งเจะได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนี่นะคือพานิพานธ์เพราะท่านมีความพยายามที่จะรู้มันก็เท่ากับท่านหลงปรุงแต่งคือปรุงแต่งพยายามที่จะรู้พยายามที่จะดูพยายามที่จะเห็นพยายามที่จะให้ได้พยายามที่จะเป็นพยายามที่จะรู้นิพานธ์ท่านก็จะหลงปรุงแต่งอยู่ตลอดเลยไม่สิ้นความหลงปรุงแต่งดูสิเพียงแค่ท่านหยุด ความหลงปรงแต่งกันนั้นไงเงียบสงบไปสงับไปหมดเลยนี่ขณะบรรการนี่มันกรุงเทพนีอย่างเงียบสงบสงัดอย่างนี้เลยดูดิแต่ท่านใจท่านยังสังขารสังขารยังปรุงยังปรุงแต่งยังดิลยังกนหาจะเอาเหตุเอาผลเอาพยายามพยายามจะทําอะไรเป็นอะไรทัานไม่ได้รับรู้ไม่สามารถสัมผัสถึงความเงียบความสงบของธรรมชาติได้ท่านดูดิเงียบสงัดไปหมดเลย อันนี้กลุ้เต็มอย่างนี้สงบสงัดได้หมดเลยแังนั้นความเงียบความสงบสงัดเนี่ยแท้จริงใจของเรานั่นแหละที่มบรรลนความปรุงแต่งที่หลนทะยานอยากพยายามจะรู้พยายามจะดูพยายามจะเห็นพยายามจะรู้พยายามจะรู้เท่าทันพยายามไปรู้เท่าทันพยายามให้มันได้มันถึงให้มันเป็นอะไรพยายามรู้เท่าทันเพื่อให้มันเป็นอะไรล้วนแต่มันหลงปรุงแต่งหมด เมื่อมันลงปรงแตง่งมันก็ไม่สิ้นสังขารไม่สิ้นความปรุงแตง่งถ้าสิ้นสังขารหรือสิ้นความปรงแตง่งก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงนี่นุปุมันฤาตัวพระแม่โคจันใหญ่ท่านเขียนไว้ในขันธะสมังคีขันธะสมังคีอะไรนะอ่ะเอเอขันธ์วิมุตติสมังคีตัมมะ เพราะมะไรธรรมชาติที่ไม่ลงปรุงแต่งอีกแล้วมันเป็นธรรมชาติของใจที่เป็นความว่างาเปล่าเหมือนกับความว่างเปล่าของธรรมชาติหรือความว่างเปล่าของจักรวาลเพราะธรรมชาติของความว่างเปล่าของจักรวาลมันไม่อาจปรุงแต่งได้ธรรมชาติของใจ แต่แท้มันเป็นความว่างเปล่าเหมือนกับความว่างเปจักรวาลซึ่งไม่อาจปรุงแต่งได้เรียกว่าวิสังขารหรืออสังขตธาตุไม่อาจมีอะไรปรุงแต่งมันได้และมันก็จะปรุงแต่งตัวมันเองก็ไม่ได้เป็นอสังขตธาตุอสังขตธาตุไม่อาจสังขารได้ไม่อาจปรุงแต่งได้ดังนั้นเราพยายามจะดูพยายามจะรู้พยายามจะเห็นพยายามจะละปล่อยวางพยายามจะพยายามทำความเข้าใจทํามองเข้าใจพยยามทำควาเข้าใจ มันก็ไม่ใช่สังคานเราก็จะหลงสังคานตลอดหลงปรุงแต่งตลอดดังนั้นนะทุกขณะที่หลวงตาบอกว่าไอ้ท่านหยุดปรุงแต่งดูสิล่ะหยุดสังคานหยุดปรุงแต่งเสัก บ, บ้างขณะที่ท่านยอมหยุดสังคานหยุดปรุงแต่งอย่างที่หลวงตามบอกอ่ะโลกธาตุมก็สงบเงียบไปหมดทั้งโลกธาตุเงียบสงบสงับไปหมดทั้งโลกธาตุโลกธาตุภายในใจกับโลกธาตุภายนอกท่านจะรู้จะรู้ได้เลยว่ามันเงียบสงบความบสงดัด ไปทั้งโลกาธาตุทั้งภายในและภายนอกนั่นแหละเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่สิ้นความปรุงแต่งที่ท่านว่าเราจะพ้นทุกข์โดยถาวรสิ้นเชิงได้ก็โดยการที่เราจะต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่สิ้นความปรุงแต่ง ไม่ใช่พยายามพยายามพยายามไม่รู้ให้เห็นให้เขาทาความเข้าใจให้เข้าใจให้รูล้ละปล่อยวางพยายามที่จะรูล้ละปล่อยวางให้ตัวเราไปเป็นอะไรเพรื่อจะตัวเราไปถึงอะไรไปได้อะไรเพราะมันเท่ากับสังขารปรุงแต่งตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ม่มีทางที่สังขารทีส่สังขารก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกิ้นจริงหรือบทเต็มท่านว่าอานิจจวตสังขาราอุปา เ, เวยธรรมิโน อุปตาวานิโรจนติเตสังวุปสโมสุโคบททีก็ไปทอดผ้าบางตระกูลในบนเมนทอดผ้าเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นกันเราก็โดนทอดผ้าแบบนั้นผากรไเบืชักผ้าบางตระกูลแลท้ทอาจารย์ก็จะกล่าวว่าอริจาวัตสังฆาลาปาุปตะวานิโรจนติเตสังวุปสโมสุโค อนิจจาวตัวตถังคาราก็คือสังขารร่างกายใจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วก็ต้องไปสู่ความเสื่อมความแก่ความเจ็บความตายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปจนหมดสิน้นเตสะูปัสสมโมสุโ ข, ขผู้ใดระงับดับความหลงสังขารปรุงแต่งไปได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนี่แนี่ยคือ พระนิพพานเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วทาไมเราจะต้องุกเรายิ่งจะพยายามปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งรูปรุงแต่งดูปรุงแต่งเห็นปรุงแต่งละเป็นแต่งปล่อยวางปรุงแต่งพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรปรุงแต่งคิดดิ้นหล่นค้นหาวิเคราะห์วิจารณวิจัยไต่ตองทบทวนประบวนผลจนแต่ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งแต่พระองค์ว่า เตสังุปัสมสุโคผู้ใดแล้วครับดับความป ร, งงงรุงแต่งจะได้สังขารนะเตสังเตก็คือผู้ใดเตสังก็คือสังขารเตสังอุปัสมุสุโขผู้ใดล้วครับดับสังขารจะได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขยัง่งยิ่งเรากลับไปปรุงแต่งใช้เปนเป็นจะพยายามไม่รู้ให้เห็นให้เข้าใจเมันก็เลยสวนทาง ปล่อยวางสิ่งปรุงแต่งในใจไปเสียหมดมันจะปรุงยังไงมีขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นธราารมชาติฝ่ายปรุงแต่งทุกขณะจิตปัจจุบันขันห้าปรุงยังไงขึ้นมาเขาปล่อยวางเข้าไปไม่มีใครต้องไปปล่อยวางแต่มันเป็นแต่ว่าขันห้ามันเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองไม่มีใครไปสเสวยไม่มีใครไปยึดถือทุกขริยาการตองขันห้าปเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสังขาร ไปล่อเขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครต้องไปจับแล้วไปปล่อยสังขารก็ทําหน้าที่ของสังขารไปเสียใจใช่ไหมปรุงแต่งก็ทําหน้าที่ของใจไปเสียต่างคนต่างทําหน้าที่ของเขาเป็นธรรมชาติไม่มีใครยึดถือสังขาร ที่ปรุงแต่งคือขันห้าไม่มีใครยึดถือใจที่ว่างเปล่าจากความปรุงแต่งธรรมชาติก็เลยเป็นของที่ทำงานตามธรรมชาติคู่กันอยู่นั้น <c oughs> ไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราอยู่ในธรรมชาติต้องสองฝั่งนั้นคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งและธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันคงแต่เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งคือขันห้ากับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง เรียกว่าพุทธะมาได้เรียกว่าจิตเดิมแท้ก็ได้เรียกว่าวิญญาณแท้แท้เรียกว่าใจแท้แท้ก็ได้เรียกว่าธรรมธาตุเรียกว่าถีติจิตเรียกว่ามหาสุญญตาเรียกว่าจักรวาลเดิมเรียกว่าอวกาศในจิตเดิมแท้ก็ได้แต่ไม่มีตัวตนของเราในธรรมชาติที่ปรุงแต่งและธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง มีแต like no ่ธรรมชาติท hmm. mm ี hmm. form, form, mm ่ป hmm. รุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมีแต่ความรู้อยู่เห็นอยู่ว่าธรรมชาติที่ปรุงแต่งทุกขณะปัจจุบันไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นธรรมชาติของใจที่ไม่ปรุงแต่งก็ไม่มีใครเข้าไปเสวยไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นใจคงเป็นใจที่ว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นแน่ ส่วนขันห้าก็คงทางานกิาการทุกอย่างอยู่อย่างนั้นเนก็ได้แต่อยู่กับรู้รู้อะไรก็รู้แก่ใจแล้รู้อยู่แก่ใจว่าทางสังขารที่พรงแต่งเรียกว่าสังขารและวิสังขารคือใจหรือจิตเดิมแท้หรืออวกาศแห่งจิตเดิมแท้ไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นอยู่กับรู้แก่ใจว่าสิ้นความยึดมั่นถือมั่น จิตหลงยึดมั่นถือมั่นแต่แม้แต่จะสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นธรรมชาติของสังขารคือขันธ์หน้าเขาก็ต้องยังุยังทํางานตามตปกติธรรมชาติของเขาใจซึ่งเป็นความว่างเปล่าโดยเดียวกับมหาสุญจต า, จากิจักรวาลเดิมก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็คงไปอยู่อย่างนั้นคู่กันแต่ก็ได้มีแต่ความรู้ว่าสิ้นความยึดมั่นถือมั่น อยู่กัรู้แก่ใจวรรสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในสังขารและวิสังขารแต่สังขารวิสังขารก็คงทำหน้าที่อยู่ถ้าไม่มีใจซึ่งเป็นความว่างเปล่าสังขารจะเกิดดับไม่ได้จะเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะธรรมชาติของสิ่งที่เคลื่อนที่เกิดดับได้ย่อมเคลื่อนที่อยู่ในความว่างถ้าที่ใดไม่มีความว่างเลยจะไม่มีสิ่งใดเคลื่อนที่ได้ ทันท no right, no ุกท the ุกอย่างที่เคลื่อนที่ได้ต้องเคลื่อนที่อยู่ในความว่างเหมือนกับในห้องนี้มีความว่างพัดลมจึงหมุนได้ถ้าในห้องนี้ไม่มีความว่างเลยหนาแน่นทุกปรมาูพัดลมยจะหมุนไม่ได้ดังนั้นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งคือการห้าเกิดดับได้แสดงกริยาการได้คิดนึกคืตอมปรุงแต่งได้เกิดดับได้จึงย่อมเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าเพราะถ้าไม่มีความว่างเปล่าคือใจ หรืออาวากาศแห่งจิตเดิมแท้จิตที่ปรุงแต่งที่เป็นขนันธ์หน้าย่อมไม่อา จ, จแสดงอาการกริย า, าการเกิดดับได้ย่อมไม่อา จ, จมีความรู้สึกหรือคิดอารมณ์เกิดดับได้เพราะความเกิดดับทั้งหมดย่อมเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในความว่างเหมือนดังพัดลมที่หมุนอยู่ในห้องเนี้ยซึ่งเป็นความว่างแต่ห้องนี้ไม่มีความว่างเลยพัดลมย่อมหมุนไม่ได้อันเนี่ยในความไม่ว่าง ความว่ามันก็อยู่ตรงความที่เกิดดับเลนะนั้นไม่ได้ไปหาที่ไหนแล้วมันก็อยู่ด้วยกันนะเนีะความว่างมันก็อยู่ตรงที่ความปรุงแต่งความปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งเกิดดับทีไ่ไหนกับความปรุงแต่งก็ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความว่างอะไเพราะถ้าไม่มีความว่างจิตก็ไม่อาจปรุงแต่งเกิดดับได้มันอยู่ในที่เดียวกันแต่ไม่มีใครยึดถือแค่นั้นเอง ไม่มีใครยึดถือมันขาดแค่ผู้ยึดถืออันเดียวแค่นั้นเองมันก็ใจและธรรมชาติตั้งจักรวาลโลกธาตุมันก็สงบส ง, บสงบัดเงียบไปหมดเงียบเพราะเหตุคือสิ้นความหลงยึดถือตัวเดียวเลยแต่ไม่ใช่ว่าพอทานมาข้างใดแล้วก็จําความเงียบความสงบความสงัดไป ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นผลที่เกิดจากใจสิ้นความหลงหยึดถือ